อ่ะที่เง่นน้อยหายไปเกินครึ่งไปทำงานเตรียมแพ็คของตลาดาที่ไปแจกน้าท่วมีเห็นเงินน้อยสองสามองค์ที่เหลือทำงานเต็มตลาดกำลังเตรียมแพ็คของก็คงทยอยมาได้เรื่อย อตางกำลังอ่ะวมาว่าเรื่องเราตัวนะี่ลมพัดมาแค่ถูกระถางลงตัวนะี้เดินพัดลมเต็มเตมมกไหลมันมีเหตุปะจจัของมันอยู่ เพราะว่าในบรรษาททรมานมันเกินมันรับไม่ได้ข้างในมันจะร้อนร้อนมันถูกไฟเผาข้างนอกเย็ยนนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติมันฝนตกตามอศาสตร์ไม่เกิดจร้อนกับเย็ยนปะทะกันในไอ้น้ำหรือเอาน้าใส่เตวนี่คือเหมือนกัน ข้างในมันร้อนข้างนอกมีเย็นเพราะว่าไฟกับลมเนะี่ยธรรมดามันจะไม่ค่อยเห็นกันเราสังเกตเวลาเห็นไฟไหม้ลมไม่รู้มาจากไปฟกับลมสรุปก็คือธาตุที่มีตัวร้อนแต่โดยปกติแล้วลมมองไม่เห็น เห็นข้างน อ, อกรู้ว่าเป็นไฟแต่อยู่ในตัวเองกับไม่เห็นหน อ, อกรู้เป็นลมวาตะก็เป็นลมพายุแต่ว่าอยู่ในตัวเองก็เราก็ไม่เห็นเนี่ยน้ำยเหมือนกันไปอยู่เรามองไม่เห็นแต่อยู่ข้างนอกเห็นดเินก็เช่นเดียวกั น, กนทั้งหมดนี่นคือธาต ้ทาที่มีตัวเราเนี่แหละแต่แต่ที่มันยังคองธาตุขันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอรหันต์ก็เรียว่าครองธาตุขันอยู่วิธีง่ายๆคืออาศัยธาตุขันแต่โปรดอีกทีคืออย่างอาศัยสมมุตินี่อยู่ก็จะเป็นจะต้องใช้เขาอยู่ก็ต้องรักษาความสมดุล ของเขาเอาไว้งั้นมาถึงการเวลาเพทะาคือแตกดับสลายผุพังจำกันเวลาขเขาก็ไปกระจายไปตามสภาวะของเขานั่นะคือสภาวะหรือว่าสภาพอันเดียวกันส่วนสภาวะธรรมของธรรมชาติของธรร ม, มะเนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่เพื่อเอื่ว่าเรามองไม่เห็นสภาวะธรรมอันนั้น เหมือนกับสภาวะแล้วก็สภาพที่มันเป็นดินน้ำไฟลมเราเข้าใจมันแยกกันอยู่จริงๆก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดถ้าพูดภาษาเราง่ายๆคือย่อทุกอย่างในโลกนี้อยู่ในตัวเราทั้งหมเราไม่ต้องไปดูอะไรแล้วในโลกไม่ต้องไปศึกษามไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายเยอะ เพราะว่าเรียนเรื่องโลกมันไม่จบออกมองโลกออกนอจกจักรวาลนู่นรู้หมดขออบโลกข อ, อกจั ก, กรวาลกาแล็กซี่ดวงดาวโอว่างันไปร้อยพันหมื่นปีปีแสงศึกษากันจในไกลออกนอกโลกนอจกจักรวาลแต่เดียวที่ใกล้ที่สุดมองเห็นตีใจอืมเดชวัานเพราะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้อนิจจัมีทานจะเข้าใจสภาวะ ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็คือธาตุปือดินน้ำไปลงขันหรือรูปเราก็อารูปก็คือนามนั้นเองที่มีอยู่ถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนสุดท้ายภายหลังจนขันมันอยู่ไม่ได้คือธาตุเนี่ยมันอยู่ไม่ได้คือรูปมันอยู่ไม่ได้หรือแต่ที่เป็นนามอีกสีตัวซึ่งมันจะต้องไปต่อเมื่อถึงตอนนั้นะ่ะ สภาวะจิตของเราถ้าเราไม่รู้จักสภาวะธรรมสภาวะจิตมันจะเป็นยังไงมันจะจดอะไรมันจะจำอะไรที่จะไปต่อข้างหน้า น, นี่เป็นเรื่องที่กุจอชนทั้งหลายอย่างรียนรู้สิ่งเหล่านี้น้อยนั่นก็แปลว่ารู้จักตัวเองน้อยไปน้อยมากๆไปน้อยธรรมดาเนื้อที่ว่าเราปฏิบัติแล้วถือว่าเราเริ่มเรียนรู้ สำหรับคนที่แค่เคยเรียนรู้เลยไม่เริ่มเลยยิ่งหนักกับพวกเราอีกหนักตรงไหนหลงคือโมหะมันหลงขันขันที่เป็นสมมุติอ น, นี้แหละสมมุติสัจจะมันสมมุติก็จริงแล้วมันก็เป็นสัจจะ้วยอันเดีย ส, สมมติสัจจะส่วนที่เป็นปลอมสมติสัจจะเยี่งหนักก็ไปอีกนี่ไม่เข้าใจแต่สิงสมมุตินั้นะมันอาศัยชั่วคราวอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยสมมุติก็เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ก็สมมุติแต่ละที่แต่ละทางแต่เรื่องไม่เหมือนกันแต่ว่าปัจจุปันสองเหตุต้องร้ายเข้าใจตรงฉันภาษาเนี่ยเป็นตน้นรูปร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมเป็นเื่องที่มาสมมติส่วนผู้ที่ท่านเข้าใจแล้วท่านจะไม่มีอุปท า, านในเรื่องหังนี้แต่ก็ยังอาศัยมันอยู่แต่ความอุปท า, านใน่องนี้ไม่มีความอุปทานคืออะไรการยึดกันถือ ทำไมถึงไม่มีเพราะท่านวางได้แล้วส่วนคันที่ยังวางไม่ได้ยังถืออยู่ก็แปลว่าคนที่ถืออยู่ก็คือที่ยังไม่วางนั่นเองภาษาง่ายๆด้วยคุณจะถืออะไรก็ตามโดยความคิดโดยคำพูดโดยการกระทําหรือรูปธรรมนามธรรมไปแล้วแต่ที่ยังถืออยู่ก็ถือว่าอุปาทานคือยังถือยังถือยังคลองแม้แต่ตัวตนของเราในบงตน้นคำว่าตั ว, ต, วตนก็คือขันรูปเพราฉะนั้น ถ้าให้จิตาจขอเราเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องรูปกับรูปขัดขันรูปเวนเปนทนาเวทนาขันพยายาขันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็เรือ่องไปคอดกอมีกองไปนะก็ใช้ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงด้วย ก, กันแล้วกันเพราะอีกวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ช้านานเท่าไหร่เมื่อมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างรูปกับน้ำเมื่อมันแยกกันอยู่เพราะว่ารูปคือธาตุทั้งหมด ก็อดินนะไปลงนี่แหละพอมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปดามสภาวะไปตามธรรมชาติสู่สภาพของเขากับศูสูส่ธรรมชาติของเขาที่เราเห็นๆก็คือไฟเป็นไฟนะ้าเป็นน้ําดินดินลมเป็นลมซึ่งเขามีอยู่แล้วโดยปกติโดยธรรมชาติช่วงนาตาปีเพราะนั้นถ้าเรายังมองไม่เห็นจริงเหล่าเนี้ทั้งรูปก็ดีนามก็ดีวิปัชนามันก็ไม่เกิด วิปัสสนาการรู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงแล้วก็วางวางวางอุปทานนั่นแหละวางรูปวางขันธ์ที่มีอยู่เพราะนั้นก่อนที่จะวางเิ่หลอนเราต้องเข้าใจต้องศึกษาต้องเรียนรู้ว่าตอนนี้เราแบกอะไรก็หามอะไรเราถืออะไรหมายถึงจิตในขณะ น, นี้จิตเราถืออยู่กับอะไรมันจะแสดงตัวตนออกมาเพราะนั้นถ้าจิตเรายัางไม่นิ่งมันมีทางจะเข้าใจสิ่งหลอน มื่อเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนต่างคนต่างผู้จบจากเจ้าเจนมันยากที่เข้าใจถ้าแต่คนต่างนิ่งเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งพูดเคยมาจะได้ยินชัดเหมือนกันถ้าจิตเราสงบมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดชัดกว่าเดิมชัดแบาปกาติทั่วๆวไปที่เรายังจิตเรายังไม่สงบเพราะจิตสงบจึงเป็นเรื่องสําคัญเขาจะบอกไม่จําเป็นไม่ได้เพราะว่านันคือพื้นฐาน แต่มันได้แปลว่าจะสงบและอยู่กับสงบอย่างนั้นชั่ว น, นาตาปีมันก็จะไม่ได้อะไรคือแต่ได้แต่ความสงบแต่มันไม่เกิดปัญญาประเด็นก็กันอยู่ตรงนี้คือการโตเกียงกันระหว่างความสงบ ก, กับปัญญานั่นเองเพานั้นเป้าหมายปลายทางของเราคือปัญญาพ่ออยพูดเสมอว่าเบื้องต้นเริ่มต้นจากสติให้เรามีสติก่อนก่อนที่จะกำหนดอะไรก็แล้วแต่่วาจะเป็นกำหนดรูปหรือกำหนดนามเราต้นจาการมีสติ สติกำหนดยังไงก็ได้ให้เรามีสติมันมีหลักการตายตัวนั้นเนี้ยไม่ใช่ว่าวิธีอย่างนั้นดีจริงแั้วไม่ดีมันไม่มีแล้เราก็ทะเลาะกันด้วยหลักการและวิธีการแต่อย่างนั้นดีอย่างนั้นไม่ดีซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้บอกสอนพระเจ้าใช้ก็บอาอนาบาสติอย่างเดียวเท่านั้นอะไรจะไปเถียงพระเจ้าได้เลยในพระุทธทางสระนักกะช้นี้แต่กรบพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่ทำตามพระเจ้ า, อาบอกอานาปานสตินั้น ถ้าทําให้มากเจอเราให้มากคนเจอรับอันใดสองคเจะรับประโยชน์คนนั้ น, น, จ, ะนจะเข้าใจก็เป็นอยู่เข้าใจชีวิตท่านก็จัดอย่านี้แต่ต้องทําให้มากามาชั่วเสมอถ่าให้เป็นเรื่องปกติให้เรื่องธรรมดาของชีวิตสม น, นึงมันขาดไม่ได้แต่ว่าการกระทําอานาประจินั้นมันต้องมีสติก่อนเบื้องต้นก็คือมีสติต่ตอเนื่องหรือสติสหนึกรู้สุดท้ายต้องได้ปัญญา แตถ้าต้องจบเท่ี่ปัญญาถ้าไปตึงไปถึงปัญญามันก็ไม่ได้ได้แต่เรียนรู้ลมหายใจก็ออกก็แค่นั้นตอนนั้นเป้าหมายปลาทางคือปัญญาเมื่อ ป, ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปถามใครว่ามันเป็นยังไงรูปเป็นยังไงน้ําด้วยังไงอยู่ยังไงแตกเยอะกันยังไงเมื่อมันเชื่อมต่อกันไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างรูปกับน้ํารูปก็คือเนี่ยขันรูปร่างกายและ้ะน้ำก็คือเวทนาที่จะทำการยิงยั ง, ย ง, ยง มันต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่ติดก็เหมือนกัโทรศัพท์มันไม่ีสัญญาณแล้วมันต่อกันไม่ได้มันเชื่อมกันไม่ได้ผัากันไม่ได้มันมีไอ้ที่บอกมันโทรไม่ได้มันไม่มีใช่ไตอบไม่ได้มันมีมันมีแต่มันโทรไม่ติดเพราะสัญญาณตัวเชื่อมตัวต่อมันไม่ได้เชื่อมต่อตัวสัญญาณตอนนั้นเหมือนกันน้ากับรู ก็เช่นเดียวกันถ้ามันเชื่อมต่อกันไม่ได้มันมีตัวสปานให้มันเชื่อมต่อระหว่างนาำกับรูปอันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันมันก็มีแต่ดีน้ำไฟลงเสริมความรู้สึกอื่นมันไม่มีคือเวทนาสัญญาสังขารญาณไม่มีมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่รับประโยชน์อะไรเลยไม่รับเกิดจากการพัฒนาคือการกระทบคือเวทนาคือสุขทุกข หรือเฉยๆมันไม่เกิดใจมันก็อยู่แบบสภาวะอ่อนกำสภาวะแต่คนเสวยอีกีหลางคือเขาไม่อยู่กับรูปแล้วก็อยู่สภาวะที่คนที่ดํารงชานมันจะเป็นรูปชานหรืออรารมณ์ฌานก็นตามสภาวะเขาอยู่กับกัญญาทัศแต่คนที่มีสภาวะอย่างนั้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอย่างเช่นปุจจาของเราดึงชานดึงสภาธิท่นนาน ไ, ได้ก่อนปัณประชาสบทิูกงายได้ก่อนบทตร ท่านก็จะเสียงเหล่านี้ท่านเรียนจนจบจนเข้าใจจนช่ำนางไม่ใช่ทำธรร ม, มาดาท่านจนช่ำนามแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ทางผู้ความอดท น, ทนมันได้ก็รูปกับอรูปสรกปคือยังติดแต่ตอน น, นยังไม่รู้ว่าติดคืออะไรจไปีเสี่งหาทางออกด้วยตนเองจนเข้าใจหลักการคือการวางอุบทานการยึดการถือที่เรากาลัง ติดอยู่ความคิดการพูดการกระทําทั้งที่ผ่านมาก็ดีนะอนาคตก็ดีนะก็อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นส่วนองค์ประกอบอื่นๆมันจะให้ให้องค์ประกอบะนะรับโปร่งทดสอบทดลองดูทุ ก, กอย่างซึ่งพวกเราไม่ต้องทาอะไรเลยพระองคทําเป็นตัวอย่างของพเราทุกเรื่องแม้แต่การอยู่การกินการพักการอาศัยก็เช่นเดียวกัน เรองเป็นต้นแบบทุกอย่างเรื่องกินอดจนไม่รู้ใจจะอดหรือแต่นังหุ่งกระดูกเราลองจะดูหรือแต่ซากอะหรือแต่ซี่โครงแต่มันก็ยังไม่ใช่ทางหรือทรมานร่างกายด้วยวิธีอื่นๆที่ก็ทํากันอยู่นะก็ไม่ใช่อยากอุกกลิศเลยนะเหมือนปลูกฤษีชีพายแล้วก็ทํากันปัจจุบันก็ยังมีอยู่เป็นพันปีสองพันปีก็ยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ทางเพราะนั่นคือทรมานแค่กาย ก็คือถ้าเดินน้ําไปลงพวกนมันยังไม่เข้าถึงใจมันธารบาลแครูปแต่มันไม่ได้เข้าถึงใจมันก็ไม่สําเร็จเพราะทุกอย่างมันสําเร็จที่ใจมันสําเร็จที่ใจเพรา ะ, ะนั่นอีกนิตรีหนึ่งพุทธหนึ่งเขาสำเร็จที่ใจหมายก็ว่าจะทําทอะไรแค่จิตนึกคือมโนมโนภาคภาพทางใจนึกขึ้นมาความสำเร็จก็เกิดกันแล้ว เราไม่ต้องออกโรงออกแรงมบนพวกเราพวกเรามันต้องออกแร ง, รงรถึงจะสำเร็จเช่นอยากกินเข้าก็ต้องกินเป็นจิอิ่งก่อนที่จะกินก็ต้องล ง, ลงมือปรุงสารพัดกว่าจะกินได้ที่มาที่ไปและที่สาคัญก็ต้องกินด้วยเป็นกิริรสและก็ความอิ่มของด้วยอาหารนั้นนั้นอันนี้คือพวกเราแต่พวกเขาไม่เพียงแค่จิดนักเท่านั้นนะมันก็สำเร็จแล้วหรือแม้แต่การเดินทางก็เช่นเดียวกัน เป็นแค่อธิฐานคือตั้งจิตมันก็ไปเองโดยธรรมชาติเหมือนเรานั่งสมาธิเราเร่ยสมาธิหลวงปู่ครูบา อ, อาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะเป็นการลอยตัวหรือตัวลอยเรือแรกตอนนั่งก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงคิดแต่เป็นจินตนาการเป็นอาการของจิต เช่นศรีรษะกระทบแพดานตอนหลังเป็นทดสอบทดลองว่าไม้กระดาษจะมันลอยช้าช้าหยิบไม้เจีมฟันเข้าไปปักด้วด้วยแล้วก็กลับมาที่เดิมปรากฏออกมาเรื่องจริงใช่ไ้มอาการกอกสมาธิเช่นเดียวกันถ้าจิตอยู่ในภาวน์ถ้าจิตอยู่ใน อุปจาระสมาวะที่ในระดับหนึ่งมันสามารถที่จะอาการตอนนี้มันจะเกิดจนฉันพบว่าผพบว่าเตือนเหินลอยตัวอย่างนี้เป็นแต่ว่าต้องระวังคือเกิดวิปรัชต์ระวังการวิปลัชวิปลาชคือสำคัญผิดเช่นอยู่ๆตัวเองห่อได้ลอยได้ยังนี้ก็มีอันตรายไปขึ้นจีดีขึ้นมาแล้วก็โดตังมาหาตัวเองห่อได้ กลายเป็นวิปลาสไปเพราะว่าฐานของสมาธิมันยังไม่พอก็เป็นโมหะสมาธิหลงวิปลาสคือจิตมันเห็นสำคัญผิตสำคัญมั่นหมายผิดนี่อันตรายกาตได้ถึงชีวิตถ้าที่ผ่านมาที่เห็นที่อยู่ที่นี่ตรกตัวอาจารย์โอ้โยเยอะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนที่เกิดวิปลาสเนี่ยมันมันน่าสงสารมากกว่าไม่ใช่เรื่องสุข เ, เทศเวทนา เพราะว่าท่านทําจริงจึงได้เป็นเช่นนั้นทดสอบทดลองปฏิบัติจริงจังแต่มันเขร่งเกินมันไม่ผ่อนไม่เบาแล้วก็เชื่อเรียกว่านิยตะเชื่อตามที่เรารู้เห็นก็เชื่อตามนี้ไม่แต่ก็ได้จนสำคัญผิดบางครั้งเด็กก็ได้กบมัดเอาไว้เลยมันแข่งมัดขาไว้หลายองค์บางองค์ต้องส่งไปสวนปรุง ต้องปริดยาให้ ย, ย, า, ยานอนหลับขึ้นนอกไปเลยหรือจะขึ้นขึ้นมาไม่งั้นจิตมันจะทํางานตลอดเวลาจิตมันไม่เคยหลับมันจะเคี้ย่ตลอดเวลาออกแกมนั่นไปนี่ออกกันนี้ไปนู้นออกนู้นไปนี้ออนนนออนมันไม่จบไม่สิ้นเลยแต่มไม่ได้มีที่สิ้นสุดนี่คือโทษของการไม่มีสติคนบ้าก็คนที่ไม่มีสติหรืสติมันน้อยคือควบคุมตัวเองไม่ได้ คืนไงคือไม่มีความรู้สึกตัวธรรมสติที่ความไม่มีรู้สึกตัวหนักก็นั้นคือตัวรู้มันไม่มีมีแต่รู้ตัวแต่ตัวรู้ไม่มีนั้น จ, จึงจาเป็นว่าเรารู้ตัวคือสัมปชาญรู้ตัวพร้อมทุกอย่างหมายว่ากำหนดทีเดียวให้รู้คําว่ากำหนดคือกำหนดกายต้องรู้กายกำหนดใจก็ต้องรู้ใจ เพราะนั้นกาว่ากําหนดรู้คือกําหนดรู้กายกําหนดรู้ใจคือกําหนดรู้รูปกับรู้น้ำนั่นแหละพูดง่ายๆถาษาเราง่ายๆอย่างนี้ทาไงยึกําหนดรู้กายเราเดิได้ทาไงซึกกำหนดรู้ใจของตัวเองได้แล้วอย่างต่อเนื่องแล้วการภาวนาจะไม่แน่เผืใอการที่เรานั่งช่วมองสองโมงถ้าเราทําได้อย่างเนี้ยมันจะต่อเนื่องน้มันก็สนุกเพลิดเพลินเราบันเทิงในธรรม ไอเวทนาเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นเวทนามันนี่คือเวทนานะมันมาก็รู้ก็ดีแล้วทําให้เรารู้จักว่านี่คือตัวเวทนานะตัวสัญญามันจํานะเออหนมันแค่สัญญาสังขารที่มันป้งต่อไปเรื่อยเพราะว่าสังขารมันทําหน้าที่ของมันจะ่าไปโทษเขาเพราะเขาทําหน้าที่โทษเขาไม่ได้สังขารวิญญาณเกิดการรับรู้เพราเช่นเดียวกันเขาจะส่งไม้ต่อไปเรื่อยอยนคือหน้าที่เราต้องแยกอัน มันคนลาเรื่องกันเขาก็ทําหน้าที่ไปเราก็ทําหน้าที่ไปจะเป็นหลงตามเขาจนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยา ก, การภาวนามราต้องเป็นอย่างนี้บางแยกออกว่านี้พอถึงระดับหนึ่งมันก็จะรู้ก็ยังเออว่าเออเรื่องรู้กับนามเข้าใจเรื่องสุขเรื่งทุกข์เรื่องอะไรต่างๆเลยมันเป็นเรื่องของวันหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของนามมันจะต้องไปต่อคือจิตนั่นแหละที่ต้องไปต่อแล้วก็จะแยกออกอย่างนี้ เราอยู่ลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีเราจะเข้าใจอันไม่เกี่ยวว่าลืมตาหรือหลับตาจิตมันเดีเร็วคําว่าเร็วใ น, นที่นี้หมายรับรู้เร็ววางเร็วคือวางอารมณ์คือต่างกับคนทั่ไปที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดพอ ร, รับรู้จะวางไม่ได้รู้ก็ไปสังขารนกะ็ไปทําหน้าที่ต่อชื่อเรียกว่าสังฆะธรรมทาได้มันเกิด ค, ความปรุงแต่ง ถึงต่างกับคนที่ท่านไม่มีอุปทานคือไม่ได้ยึดถึงนี่แหละก็เรียกว่าอสังคตธรรมมันแต่งแต่ทีแรกหลังนั้นท่านก็ไม่แต่งแนละท่านรู้แล้วรู้ก็วางทันทีคือวางอารมณ์นั่นแหละวางทันทีเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีมีเพราะเสีง ย, กเกยอองเหล่มันมีอยู่ในโลกนี้ทุกทุกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมีในโลกนี่ดินน้ำไปลงมันจะให้ไม่ปฏิเสธมันไม่มีไม่ได้ มันก็มีทางเขาเนี่ยแต่เราอยู่อย่างแบบเข้าใจอยู่แบบพร้อมที่จะทิ้งเลยอยู่พร้อมที่จะยึดซึ่งคนทั่วไปอยู่เพื่อ ย, ยึดชีวิตเรามีชีวิตอยู่เพื่อยึดไม่มีชีวิตอยู่ก็ืปล่อยวางละทิ้งอันนีความแตกต่างวางจิตที่เป็นปุถุชนวางจิตที่เริ่มเป็นป ร, ริยะหรือเปรเื่องก็สู่สภาวะสัมเช่นนั้น ตอนคนที่ประเสริฐจริงๆคนยึดเป็นหลักส่วนเรื่องกายคือรูปนะไม่ น, นั่นไม่มีปัญหาเพราะว่าสินมันจะครบทันทีแต่เราตั่งตรงไหนก็เป็นสินสินเมื่อ น, นั้นอนะ่ะไม่ต้องสมาทานไม่ต้องไปอะไรในทําปฏิบัติไม่ต้องไปกังวลเราจะเป็นโล่งลนะเมิดสินนีน่นี่ก็สินในในทําปฏิบัติมันเป็นอัตโนมัติยังไม่ต้องไปไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งอยู่นะั่นนี่คือสินในใจสิกขา บนตอนนี้ถึงมูงชาหเราไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้สมารถทานไตอนนี้เป็นสิ่งตั้งตื่นในทางปฏิบัติในใจสิกขาคือสิ่งสมาธิคือจิตอยู่กับนิ่งอยู่กับอารมณ์อยู่กับสภาวะอันใดอันหนึ่งคือสมาธิเกินจุดจ้าบคือมีไม่หลายระดับหลายขั้นตอนแล้วแต่บุคคลส่วนปัญญาเนี่ยอันนี้ตัวสําคัญะประจุท้าปายทางมาต้องครบทั้งสามอย่างมันต้องครบแล้วก็ไต้องไปกังวลว่าตัวไหน อะไรเรียกว่าสินอะไรเรียกว่าสมัมย์ทีอะไรต่างๆ ก, กายเป็นปริโพมิมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนออคนนี้มันจะเข้าใจโดยอัตโมัติของมันไม่ต้องแปลกประหลไม่ต้องไปพึ่งปริยัติไม่ต้องดูหนงสืออากาักขระพยัญชนะใดๆเพราะว่าใจเนี่ยมันมันมหาจักจัมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรียนรู้หรือจดจําอื่นๆถ้าเราปฏิบัติทดสอบทดลอง ลองผิดลองถูกจนเข้าถึงใจของไปเองได้จนเข้าถึงใจหมากว่าอะไรที่อยู่ในใจก็รู้เพราะว่ามีตัวรู้ไม่ใช่รู้ตัวละมันมีตัวรู้อยู่ในนั้นไม่เกี่ยวกับรู้ตัวการรู้ตัวมันอยู่ข้างนอกคือสติในการรู้ตัวเช่นเบื้องต้นที่เราฝึกเราว่าเราตัวแรกคือสติหรือให้รู้ตัวนั่นแหละจะทำอะไรก็ให้รู้ยืนเดินนั่ง นอนยืนกินทำพูดคิดอ่านหรือเทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติใ น, นมนูลตนนี่คือการรู้ตัวนะแต่รู้ตัวบ่อยๆทีมันจะเยอะๆทำเป็นชนาะก็จะเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมาคือผู้รู้นั่นแหละจะได้เป็นตัวก็ดูอะไรก็ได้กับผู้รูเมื่อผู้รู้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติเ พ, เ, เพราะพวกเราตอนนี้ตัวนั้นมันยังไม่เกิด ที่มันไมเกิดว่าการรู้ตัวของเรามันมันไม่สมาเนเสมอไม่ต่อเ น, นื่องมันกระขาดเกินๆ ก, การว่ารู้ตัวในที่นี้หมายถึงรู้จากรูปนี่แหละรู้จากอันแยกของรูปแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละงานให้เข้าใจเเป็นเรื่องปกติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จะธาตุที่มีอยู่ในตัวเราเราจะเข้าใจธรรมชาติของเขาวันหนึ่งมันก็ต้องไปอย่างนี้นไปตามสภาวะของเขานั่นคือคือภาวะทาง ในสภาพว่าของชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไม่วันในกันหนึ่งเร็วช้ามันจะต้องถึงการแตกดับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก้าหลังเดินไปอยู่จุดนั้นทุกคนไม่มีใครเวน้นไม่ได้ยกเแม้แต่พระเจ้ธองค์พระองคก็รู้ว่าวันหนึ่งต้องถึงจุดจุดนั้นจุดสิ้นสดุดของชีวิตแต่ พวงไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นไม่ได้ป็นหมดลมหายใจเสร็จแล้วจบตรงนั้นอีกสีตัวคือนามรือจิตไปตอ่อยู่ที่คุณสมบัติอ่ะิณอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่ประสบการณ์ว่าประสบการณ์ของจิตมันมีในระดับไหนมากไหนเราเรียนรู้เรื่องอะไรขนขณ ย, นยังไม่คิดอยู่มันเคยรู้จาักกาันละตอนปล่อยวางเข้าใจท่าสีก่การห้าโดยเฉพาะไหม เข้าใจว่าขันห้าเป็นภาระไหมภาระขันห้าเป็นทุกข์ไหมทุกข์ก็จากขันห้าไหมแต่เมื่อเข้าใจเสร็จแลว้ววางมันได้ไหมในระดับใดระดับหนึ่งจะเจอว่าเข้าใจในกิตเบื้องต้นถ้ากิจเบื้องต้นยังไม่สําเร็จยังสเปสะปะยังอยู่สารวจนวไวาสกับวิธีการหลักการอะไรก็ไม่รู้อยู่กับตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีสํานักนั้นสำนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับรูปแบบ มันถ้าเข้าถึงใจแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรก็รูปแบบเหมือนเข้ามาเชียงใหม่เข้าทำอไหรก็ได้เข้าทำแม่เรมก็ได้สังกะแพงก็ได้หางโดมก็ได้ยังไงขอเข้าถึงใจกลางเมืองเชียงใหม่อันนี้คือควาต่างเพราะนั้นถ้าไราเข้าถึงใจกับตัวเองแล้วเข้ายังไงก็ได้ม่ต้องหลักการวิธีการแต่ประเด็นตัวนี้เราเข้าถึงไหนล้วเข้าถึงหรือยังเราเข้าถึงใจหรือยังใจกลางคือใจของเรา แต่เข้าถึงใจถึงสภาวะใจจริงเป็นยังไงโดยสภาวะหรือสภาพของจิตมันเป็นยังไงอะไรที่มันไปปรุงไปแต่งปรุงแต่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นขั้นตอนทุกอย่างของสภาวะจิตประการทำ ง, งานของมันเป็นยังไงทั้งการทํา ง, งานของกายการทํา ง, งานของจิตนี่คือรูปกับนานนั่นเองนี่คือคกลไก พะฉะนั้นเวลที่เราปฏิบัติทุกวันเพื่อหาข้าใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่ยืนเดินนั่งก็คืออย่าน้อยก็คือเวทนารูกคืออาศัยยืนเดินนั่งเวทนาคือสิ่งที่มันปรากฏหลังจากยืนเดินนั่งลผลเป็นยังไงทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทน า, ขข า, น า, า, นาให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นตอนนี้มันสุ ข, ขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาเฉย มันก็จากภาษาที่เรียกว่าเวทนาคือตัวที่สองคือขันตัวที่สองในขันห้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักขั้นตอนอย่างนี้มันก็จะเป๊ะสะเปะคิดอะยู่คำบริกรรมคิดอะไรกันมาเลยอยู่คําบริกรรมมันก็ไม่ได้ต่อนเนื่องเดี๋ยวก็ออกไปจากคําบริกรรมไปไหนกครไม่รู้ไปโน่นข้ามไปสังขารปรุงแต่งไปละเ็นเลยไม่รู้เฉลิฐที่ปรุงมาแต่งมันเป็นสศพทุกปีเฉยไม่รู้ข้ามเวทนาสัญญาสังขารยินญาณไปโน่นเลยเดี๋ยมันจะเป๊ะสะเปะวะนั้น ถ้าขันตอนทุกอย่างเราค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างและทั้งหมดมันจะรู้ในเวระสั้นนิดเดียวก็รู้อันนีดด้คือรู้ไป็นงานสกัดวิญญาณแล้วก็วางสภาวะนั้นนั้นโดยปกติกับปฏิจัยเหมือนเดิมเพราะตัวอย่างก็คืออาการของมันเบิการเงอิฐสุ ข, ข, ะาา ข, ขะกับอาการทุกขะกัอาการเฉยๆตัวนึงอาการแต่ใจมันเปลนอะไรใจมันคืจิตมันก็คือจิตมันไม่เกี่ยวของพวกนั้นของก็ น, น, มนำมาทําให้ หลอกให้พวกเราหลงมันคือตัวโมหะให้เราเข้าใจผิด ừ, ทุกวันคือเราเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่พระเจ้าจัดการระบบความคิดของเราขั้งแรกตัวแรกเลยในมนรรคมีองค์ปกอบคือสัมมาทิฏฐิจัดการใรืความคิดก่อนความคิดอะไรคือปัญญาถ้าเรายังไม่มีปัญญาจัดการกับปัญญาตัวเองมาได้วิธีคิดอย่างใช่ไม่ได้นะี่โอ้ยากเลย กันนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นข้อแรกในการจัดการระบบความคิดของเราควาคิดให้มันถูกต้องความคิดที่มันถูกต้องนั่นคือสภาวะใจให้รู้ว่าใจจริงคือใจส่วนสภาวะขอเขาคือสศกทุกข์เฉยๆมันอีกเรื่องหนึ่งมาคนละเรื่องไม่ได้เกี่ยวกันนนถ้าเราจัดการอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิละสมาธิฏิเกิดขึ้นที่เหลือตามไปมันก็เป็นตามขั้นตอนของมันสรุปก็คือมรรคมีรูปเก มันก็คือสิ้นสมาธิปัญญานี่แหล ะ, ะก็กลับมาที่เดิมอธิที่ใจี่ค่าเหมือนเดิมตอนต่อให้เราพูดยังไงมันก็อยู่สามเรื่องอย่างนี้แต่ทำยังไงที่เข้าใจะสามเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันให้มันเข้าใจเร็วที่สุดเท่าที่เร็ว ไ, ด, นน ด, ญญได้อันนี้คือประเด็นหลักตอนปัญญามันไม่เกิดมันกิดจมวกจะไปแยกแยก น, น, น, นั่นอันนี้อีนั่นมันไม่จบส่วนรู้ประกันนา้าปการถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ที่สําคัญคือถ้าเราหรือบ่อยๆคือพิจารณาแยกแ ย, กแยกวะว่านี่ดินคือน้ำไปคือลมวันหนึ่งเขาก็คงจะไปแล้วละ่ะคงอยู่กันไม่ได้เขาก็ไปตามเขาก็ปล่อยอไ ป, อ, อ, ป อ, อันนี้คือรูปสภาวะทิ่ของรู ป, รขขรปรา น, านีขขคออนนน่คือสภาวะรูปสภาวะของรูปสภาวะธรรมตัวเวทนาเนี่ยจะอยากสงการในอย่างนึงคือสภาวะมีิจิตนั่คือสภาวะธรรมบางคนละสภาวะกัน ตอนเรื่องยังแยกไม่ออกสภาวะทั้งสองอย่างเราจะไม่เข้าใจมันจะเปะสปะไปหมดไม่รู้อะไรเป็นรูปไม่รู้อะไรเป็นนามทุกของรูปทุกของนามก็ไม่รู้รู้จะวางไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะตั้งต้นยังไงทํากลางไงและที่สุดยังไงมันไม่รู้เพราะนั้นการปฏิบัติของเราต้องมีจุดหมายเป้าหมายสังเกตทั้งการตัวเองวันนี้พรุ่งนี้ก็ที่ผ่านมา มาแตกต่างกันยังไงโดยสภาวะของจิตใจของเราเพราะจะเห็นกาวามแตกต่างไปด้วยเห็นการพัฒนาการของจิตกัางของเราในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นกับเราให้ให้เราเข้าใจสภาวะสิ่งเหลนี้เจ็ดมันก็มีแค่นี้แหละโดยสภาวะมันไม่มีไปเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมันอยู่ในกรอบสามเรื่องสามอย่างแค่นั้หน้าที่เราคืออย่าไปโมหะคือหลงปัจจัยอาการสิ่งเหล่านี้นนจนควบคุมตัวเองไม่ได้ นั่นคือเป็นติมากันทำให้เราเดือดร้อนในชีวิตประจำวันกับว่าเราไม่สามารถ่ควบคุมกำกับตัวเลคือไม่สงใจสภาวะรูปและนามของตัวเองดันั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเราโม่งไปตัวเองอย่างนี้พูะเจ้าในสมัยอดีตก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพระบหมาท่านจะถามมีสองเรื่องคณนนั้นะบทมาแล้วก็จะเอาอะไรกจะเอาคันธาุระคือเรียนรู้ ศึกษาเราเรียนพร้อมกับการปฏิบัติไปด้วยแต่การปฏิบัติอาจจะน้อยหน่อยในความสนใจอาจจะเยอะกว่าอันนี้ของคันตาธุระส่วนทีปรัสนาธุระไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องเรียนเยอะเช่นคําว่าเจ็ดคําเดียวอนี้หรือว่าสางกรสี่คำปลูกเป็นคาถาเปพยางอย่างเช่นหลวงปู่มั่นสอนปูออน่อ่อนอย่างนี้ก็ไม่กี่ประโย ค, คน์สี่ห้าคำเบิกตนไม่ต้องทําอะไรมากแค่นี้ หลวงู่ทาก็เอาอย่างผู้ดเจ้าวนั่นแหละแต่ว่ากนที่จะให้ท่านรู้รู้นิสัยของแต่ละองค์แต่ละท่านเราจะต้องใช้อย่างไงถึงจะได้ผลเพราะว่าท่านรู้อดีตรู้อดีต ว, ว่าคนเนี้เคอปฏิบัติมายังไงไปยังไรมังพื้นฐานเด็ ย, ปยงงดเป็นไงพู้ดีข้าก็เช่นเดียวกันว่าคนเนี้เจรินิสัยของเขาเป็นยังไงก็ให้ไปตามเจริญนิสัยของเขาไม่กี่คําไม่กี่ประโยคก็ไปบริกรรม คาถาเช่นอาการสามสิบสองเอาไร้สีห้าตัวก็พอเป็นต้นอั น, น้คือในอดีตสมัยก่อนเอาแค่นี้ไปเอาไปอบริกรรมไปพาวนาะสงสัยต้องไหนกลับมาถามกมารประถามผู้เจ้าาสภาวะอันเป็นยังไงตอนนี้ดูมาทางกระแสจิตถึงกันได้หมายว่าเข้าสู่กระแสธรรมแล้วผู้เจ้าก็สมกระแสไปก็สมาธิ์ต่อยอดกล่าวได้อันนี้คือสมัยพุทธกาล แต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมอีกอย่างนึงคือว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ทุกคนคนที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าบารมีท่านเอือบเต็มแล้วในอดีตชาติท่านบาเพ็ญมาเรียกว่าอุกฤษแต่ละรูปแต่ละคนแต่ละนามมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้แล้วพูดจะพูดแค่นี้ก็สําเร็จได้มันไม่ใช่มันมีองค์ ป, ประกอบมากไปกว่านั้นอืมแต่ที่เราเสนาข้าะ บ, บองเห็นเหมือนกับพวกเราะ เราไม่สามารถที่จะรู้หรือย้อนไปในะอดีตของเราได้หรอือเปาอดีตของเรา เ, เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์เป็นอะไรไม่รู้โดยสภาวะอดีตก็ไม่รู้นี่นั่นคืออดีตพรันทัศ์ที่ไม่รู้เนี่ยครูจะบอกอย่าไปอยู่กับมันเลยเพออยู่ไปมันก็มีทางรู้นะายอนาคตเหมือนกันเราก็มีทางรู้อะไเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่มีญาณภาสนะสิ่งที่เรารู้อย่างนี้คือปัจจุบันนี่แหละฝันทัศน์ผู้ชายถ้าเราไปอยู่กับปัจจุบันความคิด ก็ามเห็นกระพุ่งกงระเถงเราทอนไปที่อื่นดึงกลับมาให้มันอยู่ปัจจุบันให้อยู่กับการยืนเดินนั่งหรือคาบริกรรมหรือความคิดอยู่ปัจจุบันดึงกลับมาถ้ามันตะเลยเปิดเผยว่าจะเราเดินอยู่ก็ทีนั่งอยู่กะทีให้อยู่กับปัจจุบันท่านแชร์คำว่าปัจจุบันธรรมเท่านั้นนะมันถึงจะเป็นประโยชน์ในงั้นก็ออกไปเที่ยวกลับไปที่เดิมไม่เนอะไรมันจะ่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเราเคยเจอมาแล้ว เคเป็นมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้วแต่เราก็จะไปซ้ําเติมนะอนาคตนหนักไอีไมรู้จะเกิดหรือไม่เกิดแต่เราก็ไปคาดไปหวังไปจินตนาการเองมันก็ไม่เกิดอะไรส่วนปัจจุบันเรายืนเราก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้คิดอะไ ร, รกรู้บริกรรมอะไรเราก็รู้นี่คือสภาวะทเป็นปัจจุบันเพราะนั้นกนารฝึกธรรมคือต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดเท่าที่มากได้อยู่กับตัวเองคือตัวเรานี่แหละ ประโยู่คนอื่นเราอยู่กันมานานแล้วเขาโลกนี้อยู่กับกาแลนอยู่กับคนอื่นในขณะที่เราปฏิบัติต้องอยู่กับตัวเองอยูตัวเองให้มากสุดการพึ่งตัวเองอาจจะใหอัตโนโนาทโธตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงในความหมายพรา้การปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เร่งยากแต่อยู่อย่างเดียวคือความเพียรเราไม่ต่อเนื่องการเพียรเราไม่ต่อเนื่องหมายคว่าเมื่อความเพียรมาไม่พอ คือการเผาเกลือดมันไม่พอพ่อเกิดป่วยเพี้ยไปเสมอว่าไฟมันไม่พอไฟมันยังไม่ถึงยาลงพอเดี๋ยวไฟมันโอ้ยเดีเผาไม่ทำไงนี่จนลำบากเลยยอาตาตีประสานว่าอาตาตีสตีมาซัมป์บชานอันนี้คือองค์คุณปัญนานถ้าความเพียรบรรทมไม่ถึงได้มันนี่ทางนี้มันต้องเผาก่อนบนเนื้อ มันต้องสุกก่อนถึงจะกินได้ไม่กินเวรเด็กๆสุกกินได้ไหมกินได้เหมือนถ้าเป็นอยู่เหมือนคนคนสุกเด็กๆมันก็อยู่ได้แต่คนสุกแล้วก็อีกแบบหนึ่งกับคนเด็บจริงๆก็อีแบบหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกันเพรฉะนั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าข่าวเพี้ยนเราถึคืออาตาปีข่าว่าเ้ยนนี่มุงที่อาตาปีข่าเพี้ยนคือแปลว่าอาตาปีว่าความเพี้ยนย่างเกเดให้ร้อนเกเดมันร้อน โหจนจะเลดมันร้อนยังอยู่ไม่ได้มารกระเด็นนะเพราะเกเลสมันร้อนเหมือนเดียที่ฝัาังเหมือนเราไปตีเป็นเน็ตเป็นผ้าเป็นอะไรมันได้หมดอ่ะแต่ขอให้มันร้อนก่อนนะเราตีต้องตีขนาดร้อนๆมันก็จะพิจารณาเลยเวทนามันก้าขนาดก็พิจนาศาอนาโอเวทนามันกาวแข็งขนาดนี้บวดแข็ขงหัวขาดจุจะ เ, เป็นจะตายจะกระดูกจะหลุดจากตัวมันกระดูกจะแตกมันร้อนมันเผาจนหัวเข่าแล้วโอยจน บางทีน้ําตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอยู่ๆว่เองน้ําตามันซึมออกมามสติมันก็ออกมารับรู้คือพัฒนาก่อนนั้นมันก็จิตมันก็สงบพอสงบก็มันมีจิตมันไปอยู่ที่น้ําน้ําตามันไหลออกมาโดยก็ไม่ได้สศกไม่ได้ทุกข์เลยที่เจอเอ๊มันไหลออกมาทําไมว่าถิติเอยก็ไม่ใช่อ๋อเวทนาเวทนาม บีบแรงทันง่ายอย่างนั้นน้ําตามันไหลออกเองเพราะมันมั น, ม, นมันทุกจนน้ําตาไหลอ่ะันอยู่ไม่ได้มัเป็นทรรมชาติของเขาคนท่าทุกข์จรินที่คนร้องไห้ก็ทุกข์นัแหละมันไม่รู้จะออกอยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนเราโศกเราทุกข์ทุกทุกอย่างเนี่นนยน้ําตามันจะไหลนี่เองทั้งดีใจเสียใจมันออกได้นหมดอะสภาพของมันนั่นก็เหมือนกัน ไอ้ท่านไม่ได้ค no, no, ิดเลยว่ามันเป็นส่งวิทุอีเจอยแต่อยู่ๆทำตามอะไรบางวันสองสามรอบสองสามรอบถ้าเรานั่งนานนั่งนานสองสามรอบอย่างหลวงพ่อได้เคยเล่าที่ไปโดเขาำน้าตาในเสื้อชีพของเราเนี่ยสงสารเขาอกันเจ็ดสิบแปดสิบเขาบอกว่าน้ำตามันไหลออกมาเองสองรอบโอกเงินโอไม่ธรรมดา เพราะนั่นคือเวทนาดิพันธ์หนักๆมันเป็นอย่างนี้นมันจนโอ้มันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยคือสภาพว่าเป็นทุกขะทุกขะเวทนาทุกขะเวทนาเอาไปขาเวทนาอดีสภาพหนูก็หายเขารู้ตอนนี้เป็นทุกขะเวทนาแต่ดิพันธ์ก็หายนี่ถ้าสติมันออกมาข้างนอกเนี้ยมันก็เริ่มรู้ตัวรู้ตัวมันก็รู้สึกตัวข้างนอกเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นนอกเสียงกลาอื่นๆรู้หมด ในขณะเดกันมันเข้าไปออกข้างในหลบอยู่ข้างในมันก็จะไม่รู้สิ่งพวนี้คือจิตสภาวะจิตมันเป็นอย่างไงมันก็เข้าออกเข้าออกอยไรถ้ามันมันพักจริงๆมันจะไม่รู้ถึงแม้ข้างนอกนํ้ำฝนตาไหลวัวผ่ามันก็ไม่รู้แต่ว่าโดยระบบร่างกายสังขารเขาเป็นอย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาเลยออกมาเองโดยธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อองธรรมชาติเพราะนั้น โอ้โหจะรู้จะก่อนจะรู้ก่อจะเข้าใจแต่เรื่องลกระตันะโคจรย์นี่บอกชีวิตเขาแรกมไม่ธรรมดาอยู่เมืองอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทรรอยู่สารพัดอยู่กว่าจะเข้าใจทถามว่าต้องอยู่ทําไมนั่งสถิตตรงไหนก็ได้ใช่าแต่สภาพแปดร้อมสภาพมันไม่เหมือนกันอืแต่ถ้าเราผ่านทั้งหมดมาแล้วเราประมวลผลเอาแล้วเราเห็นอบมาอบมาเปลียบเทียบ หเห็นความแตกต่างระวังอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่ทั้งอยู่คนเดียวอยู่ทําการงโมเพราะเราจะเห็นหมดครบทุกสภาวะอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเราอยู่กับคนหมู่มากมันก็เป็นอย่างนี้นะสุดท้ายมันก็เป็นโมหะครอบงําไปตามโมไปตามคณะก็สุดท้ายก็แคนที่จะเอาตัวเองเป็นหลักกลายเป็นยึดคนรอบข้างรอบตัวเป็นหลักแต่ยึด ย, ยังไม่พอนะหลังจากนั้นคือหนักกนันอีก ไปดูความดีความไม่ดีของคนอื่นเขาอ่ะหนักเลยทีนี้คือไม่เกี่ยอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคือการดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นดูตัวเองดูทุกเรื่องทั้งความดีความไม่ดีที่มีอยู่แต่เราซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเมื่อเรามีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปดูคนอื่นเพราะดูอื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไปดูคนอื่นมีแต่โทษมากกว่าคุณแต่ถ้าดูแลเห็นความดีความไม่ดีของตัวเองมันเป็นคุณมากกว่าโทษมันจงกันข้าม อ่านั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะดูยังไงแ้่เราจะจะดูคนอื่นปกติอยู่ <c oughs> ก็ได้แล้วแต่แต่มันไม่ได้เป็นคุณนะมันจะเป็นโทษมากกว่าแต่ถ้าดูตัวเองเนี่ยเราจะเห็นคุณแล้วมันก็จะเป็นคุณกับตัวเราเองก็จะนำไปสู่กันละตอนไปบางบางเบาในที่สุ ด, สดจิตใจก็จะค่อยเบาลงเบาลงบงใจเบากายเบากายมันเบาจิตมันก็เบาเบาจนลอยได้ที่ดู โดยสภาวะอันเบาร่างกายนหนักๆใั่ไหมมันลอยได้ยู่โดยสภาวะว่านี่คือสภาวะของจิตของใจที่สำหรับบุคคลที่ฝึกดีแล้วต้องย้ำว่าฝึกดีแล้วนําศกมาให้อันนี้คือสภาวะจิตแล้วก็ใช้เทศเป็นประจำแต่เราก็สามารถจะอธิบายได้ว่าถ้าสภาวะจิตของเราเป็นเช่นนั้นเราจะเข้าใจสภาวะนี่คือสภาวะที่เป็น สภาวะของรูปสภาวะของนามสภาวะเหล่านี้ถ้าเราไม่กําหนดจะไม่มีทางรู้เลยคือกําหนดรูปกําหนดนามกำหนดรูปก็ให้รู้เรื่องรูปคือรู้ในหมายว่าเข้าใจก็กหนดนามอีกทีเดวก็ให้เข้าใจเรื่องนา้ำกำหนดทุกความเข้าใจนะและนําประสูก่การละตอนปล่อยวางเป็นภาระโทระให้มันน้อยที่ดเท่าที่น้อยได้ ว่าอันนี้ก็ออาณาสงฆ์การปฏิบัติธรรมของเราแล้วก็เป็นแนวทางเป็นแนวนึวคิดแนวปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจทุกมากขึ้นต้องกระเจาเข้าใจทุกมากขึ้นเราจะเห็โอเวทนาเนี่ยมาตั้งสามตัวสุขทุกเฉยถ้ารู้จักทั้งสามตัวดีเนี่ย่ะได้ประโยชน์อย่างมากเลยถ้ารู้จักแต่สุขอย่างเดียวนะโอลำบากรือรู้จักแต่ทุกอย่างเดียวเนี่ยก็ยังลำบากอยู่ แต่รู้จักอุเปเกะค่ะวางได้บ้างวางสุขได้บ้างวางทุกข์นะอันตรพอรได้เป็นประโยะชน์อยู่แต่ถ้าวางได้ทั้งหมดนะจะเป็นประโยชนะ์มากหรือแต่ใจอย่างเดียวหรือเป็นผู้รู้อย่างเดียวรู้ว่าอันนี้สุขนะนี่ทุกข์นะนี่มันเฉยๆนะมันไม่เกี่ยวกับเราเนะี่ยแตอย่างนี้ยจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแล้วมันจะไปได้เร็วเพราะเราวางสิ่งเหล่านี้ได้สต่เรบคนที่วางไม่ได้ไป จ, จิตวนในขคล้องสิ่งเหล่นี้อยู่นะจิตนี้ยังมีอุปาทานยึดจิตสิ่งนันอยู่ก็จะไปได้ช้าเพราะมันหนักมันห่วง มันเกี่ยวมันคล้องมันดึงเอาไว้มันก็ไปได้ช้าไปได้ไม่เร็วแต่สร้างสภาวะจิตจริงๆมันเร็วมันเร็วมากไม่เร็วธรรมาดามันเร็วถึงขนาดนั่งตอนนี้ถึงเทียบเลยเองความเร็วมันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้ความเร็วของแสงเปรียบเทียบไม่ได้คือสภาวะจิตจริงๆคือจิตของเข้าจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้คือรู้การเกิดดับเร็วที่สุด เท่าที่จะเร็วได้จะเป็นประโยชน์ากการภาวนาเป็นอย่างมากก็ขอให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้คือเรียนด้วยแล้วก็รู้ด้วยในสิ่งนี้คือได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติคือ ก, การเรียนรู้สิ่งตอนนี้ก็จะนำไปสูการ์ละทอนปล่อยวางธาตุขันเหล่า น, นี้ให้เร็วที่สเท่าที่เร็วได้อย่างน้อยเพือคือเข้าใจในเบื้องต้นและนําประสู่การละทอนปล่อยวางซึ่งวันหนึ่งก้างหน้าเมื่อมันอยู่ไม่ได้ มันก็ควรกระวางโดยธรรมชาติแธรรมชาติกขาให้วางกัแล้วล่ะีไม่ได้แต่อิสิตัวต้องไปต่อสิจิตตัวนั้นตัวสําคัญวัะนั้นการปารมาของเรา่ะได้ประโยชน์ก็แต่เมื่อสิ่งเหล่า น, นั้นเกิดขึ้นในงั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดแก่จับตายเกิดขี้ตา ย, ต, ายตืยต่งเสียชาติจาการเกิดอีกคือ ก, การเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์พบภูศาสนาและได้มุ่งสู่การปฏิบัติอันนี้ถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วไมนมีอะไรที่มันดีไปกว่านี้แล้ว โดยสภาวะอย่างนี้ให้หพรถือว่าเราโชคดีหรือแต่เราต่อยอดความโชคดีอันนี้ให้มันมากที่สุดให้มันสูงที่สุดเท่ออาที่สูงได้เราก็ไรับประโยชน์จากการเกิดเกิดจากต่างประคบรูปนาในส่วนยานที่เราทุกคนเต็มมุ่งหมายจู ก, การปฏิบัติเรื่องนี้โดยสะสมเวลาเล็กคนน้อยสักวันคอยก็คงถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วเราคงจะทิ้งธาตุการ์ดนี้ให้อยู่ตามธรรมชาติกับเขาพร้อมที่จะอยู่ เขาจะแตกสะลายไปตามกาลเวลาคือดินน้ำไปล ง, งเขาไปตามธรรมชาติส่วนอีตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะสบายมากขึ้นก็ควรห่วงงานควดีพวกเราทุกคนในประชาการนี้พยายามตั้งจิตตั้งใจมากน้อยไม่เป็นไรขอให้เราพยายามทําให้มาก อ, อยู่ดที่เราได้ความสุขกวาเจริญความสมหวังกวามตั้งใจพัฒนาที่จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเราเราต้องได้ปพื่อความสําเร็จ ดังหวังตั้งใจจงทุกประการเธอ